พัก อ, อยู่ที่ข้างล่างเลยพักกันกี่วันนะพักอยู่ได้กี่วันนะคืนที่สองสองนะอแล้วใครได้นำให้ขึ้นมาข้ามันนะเพื่อนค่ ะ, ะเพือเ่อนนะเคยไปพักอยู่ที่วัดอื่นบ้างไห ปานานาชาติค่ะปนาชาติอยู่บนค่ะบนนะอที่นั้นมีแต่พระชาวต่างประเทศเลยือมีพระเยอะไหมเยอะถ้ากี่ลูมาถาม่กี่ลูมีกี่รูซาแต่เห็นเวลาลงมาฉันยี่สิบสามสิบสี่สิบมาอ่าสามสี่สิบมสี่สิบนะ เป็นธรรชาติเป็นตางชาติาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เจ้าค่ะเนาะเขาพูดภาษาอะไรภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษภาษาไทยค่ะอืเ<ม>ขาพูดได้นะชาวต่างชาติอืก็ออกบินบินบินเท่าบา ท, ทุกวันเจ้าค่ะอืแล้วญาติโยมไปเอยอะไหมเยอะเยอะทุกวันเยอะญาติโยมที่ไปอยู่ไปพักอะ ก็ตอนเช้าก็จะเห็นเพราะว่าเราไปเช้าทุกเช้านะอ๋อโยมแม่จะไปพักที่นั่นนะไปใส่มาเใช่ใช่ค่ะอืมแล้วก็ไปคืออยู่อุบลอืมคิดว่าที่นั่นมีที่พักให้ญาติโยมอยู่เหมือนที่นี่ไม่มีไม่มีเลยไม่มีค่ะนอกจากวัดหนองประพงค่ะอืมหนองปลาพงนี่อยู่อำเภอวารินะ ให้เจ้าป่าแล้ววัดป่านาชาติก็อำเภอเดียวกันนะค่ะออกจากออกจากนอกมนออกนอกเมืองว่ะเอ่อไกลมาจากจากเมืองเข้าไปประมาณยี่สิบขับรเดียวเดียวนะใช่ไปใส่บาตรนะไปใส่บาตรค่ะแล้วท่านมีพูดธรรมะให้ฟังป่ะก็ธรรมะก็สิบคนคนเดียก็จะเป็น เจ้าอวานะคะเป็นชาวเยอรมันชาวเยอรมันอะ่พูดภาษ า, าไทยชัดเจนไทยชัดเจนเออท่านมาอยู่เมืองไทยกันนานะก็ส่นบบวนใหญก็จะเป็นพระเจ้าอาวาสนะคะทำไมเขาจะามาไกลนะเราอยู่ใกล้ๆเรากับไม่สนใจ เคยถามก็าว่าเห็นเห็นเห็นอะไรดีในพระพุทธศาสนาท่านท่านจะพูดเลยครับว่ า, วาศิลธรรมและก็การอยู่ของเมืองไทยจะง่ายแล้วก็ไม่มียาเสพติดที่จะยาเสพติดที่มันจะหาซื้อง่ายเหมือนบ้านประเทศท่านท่านก็จะบอกว่าคนไทยน่ารักกว่านงประเทศท่านก็จะ สอสนเป็นเรื่องของธรรมะค่ะคุณครบอกว่าพี่น้องครอบครัวทนานาเข้ามาอยู่ในไทยอเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนาค่ะอยู่ใกล้วัดนะนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ซื้อือบ้า น, น อ, ยอยู่ที่ไใ น, นไอุบลก็ไม่กลับบ้านชีวิตเขาที่บ้านเขาจเจริญทางวัตถุ แต่จิตใจไม่ได้เจริญรคนไม่มีน้ำใจเลยอยู่ไม่มีความสุขเพราะอยู่แบบตัวใครตัวมันไม่ค่อยมีความเมตตาต่อกันทุกคนก็ตามคนต่างดิ้นหาหาความสุขเาจากวัตถุต่าง ๆ, างๆก็เลยไม่เห็นความสุขที่เกิดจากการมีน้ำใจต่อกัน เลกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไปแรงน้ำใจแต่คนไทยเรานี่มีความเมตตามีน้ำใจเวลาพบปะกันก็ทักทายกันยิ้มแย้มแจ่มใสที่นั่นเขานามบึ้งตึงเขาไม่ทักกันเขาไม่มองหน้ากันอาคนต่าง หองหนไปนมองอย่างนู้น mm hmm. ก็เลยไม่มีความสุขทางทางจิตใจมีความสุขแต่ทางด้านวัตถุ mm hmm. แต่มันไม่มันไม่มันไม่เหมือนกับความสุขทางจิตใจทางจิตใจนี้มันอิบอิบใจแต่ความสุขทางด้านวัตถุมันแหง้มแงมันแหง้งมันแห้ง มันไม่มีน้ำใจนะหลายเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะศาสนาเรามีพระพุทธศาสนาที่ปลูกฝังคุณธรรมต่างๆศีลธรรมนะความเมตตากรุณาต่อกัน เลยทำให้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างมีความสุขเคยถามฝรั่งว่าเขาชอบอะไรในเมืองไทยเขาชอบคนยิ้มคนไทยยิ้มเก่งออแต่สมัยนี้คนที่ในบ้านในเมืองทักจะเหมือนฝรั่งไปทุกวันนั่นะยิ้มไม่ค่อยเก่งะอคนอยู่ในบ้านในเมืองเขาก็จะ มุ่งไปหาวัตถุกันหารถยนต์หาหาคอนโดหาเงินหาทองไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้าไปเที่ยวไปเล่นกันก็จะเริ่มมีไม่ค่อยมีน้ำใจต่อกันพวกที่อยู่คอนโดด้วยกันนี่ไม่ค่อยรู้จักกันอยู่ในคอนโดนเดียวกันแต่ มันก็ได้พบปะกันไม่เหมือนหมู่บ้านชาวบ้านอยู่กันนี่จะรู้จักกันแต่อยู่ในคอนโดนี้อยู่ห้องติดกันยังไม่รู้จักกันนความสุขทางด้านวัตถุมัน เป็นความสุขที่เหมือนยาเสพติดเศบแล้วก็ต้องเสพอยู่เรื่อยๆไม่อิ่มไม่พอไม่เหมือนความสุขที่เกิดจากการทําบุญความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลความสุขที่เกิดจากการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทำใจให้สงบ เป็นความสุขคนละอย่างกันสุขสุกร้อนกับสุขเย็นความสุขทางวัตถุเข้าของเงินทองเป็นความสุขร้อนความสุขทางจิตใจคือความสุขจากการทําความดีต่างๆทําบุญทําทานรักษาศีล วายพระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมอันนี้เป็นความสุขเย็นความสุขที่อิ่มทำให้ไม่หิวเหมือนกับความสุขทางว่าทางข้าวของเงินทองได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พออยากจะได้มากขึ้นไปเรื่อย ก็เลยต้องดิ้นหากันดิ้นหาเงินหาทองหาข้าวหาของกันได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอกับมีความอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปได้คือก็อยากได้วาได้ศด้สอบได้คือก็อยากจะได้สอกได้สอกก็จะอยากจะได้วาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ เพราะความสุขทางวัตถุทางเข้าของเงินทองนี่เป็นความสุขที่ไม่ให้ความอิ่มแต่เป็นความสุขที่ให้ความหิวเพราะมันเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวเหมันกินน้ํากับกินข้าวกินน้ํามันกินเข้าไปเยอะๆมันก็อิ่มท้องได้เดี๋ยวเดียวเดียเด๋ยวที่หวมาก็หิวอ่ พวกที่มาถือสินแปดเนี่ยคอยดูตอนคือน้องสีต้องดื่มน้ําเยอะๆถ้ามันหิวก็ดื่มน้ำกันเพราะมันกินข้าวไม่ได้เดืม่มปั๊บเดือมให้มันเต็มท้องมันก็อิ่มเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็หิวอีกแล้ไม่เหมือนกับอ่ากินข้าวกินข้าวแล้วมันอิ่มกว่านานกว่าความสุขทางวัตถุทางข้าวของเงินทอง ก็เป็นเหมือนกินน้ำดื่ม น, น้ำดื่มเข้าไปเดียวก็ต้องหิวแล้วแต่ถ้ากินข้าวอยู่ได้ทั้งวันย4ิบสี่ชั่วโมงกินเื้อหนึ่งนี้ก็อิ่มไปอยู่ได้ตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงความสุขจากการทาบุญจากการรักษาศีลจากการนั่งสมาธิจากการไหว้พระสวดมนต์ จากการฟังเทศฟังธรรมนี่เป็นความสุขที่มีน้ำหนักมากกว่าสุขได้มากกว่าสุขได้นานกว่า <c oughs> จึงไม่ค่อยหิวเท่าไรคนที่ทาบุญทาทานรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมอยู่เป็นประจำนี้จะไม่ค่อยหิวกับอะไรไม่ไเลยหิวกับทรัพย์สมบัติข้าวของเองินทอง พอมีพอกินก็พอใจแล้ว ไ, ม, ไ, ม, ไ ม, ม่ไม่ร่ำไม่รวยก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรพอใจอิ่มใจไม่หิวกับสมบัติต่างๆไม่หิวกับคอนโดไม่หิวกับรถรถยี่ห้อแพงๆไม่หิวกับเพชรดินจินดาไม่หิวกับกระเป๋า รองเท้าอะไรต่างๆไม่หิวกับแฟนไม่หิวกับรูปเสียงกิ่นน้ไม่หิวกับมอหะมอหรสบมันเทิงต่างๆอันนี้คือความสุขที่ทำให้คนเรามีความเมตตาต่อกันได้ เพาเมื่อเราไม่หิวไม่อยากเราก็มีเวลาที่จะแบ่งเวลาให้กับคนอื่นถ้าเราต้องหาความสุขทางวัตถุเราจะไม่มีเวลาเพราะเราจะต้องไปทำงานไปหาเงินได้เงินมาก็ต้องไปใช้ไปเที่ยวเลยจะไม่มีเวลาให้กับคนอื่นแต่ถ้าเรา มีความสุขทางจิตใจนี้เราไม่ต้องดิ้นรนมากเราจะมีเวลามากเราจะมีอะไรที่จะให้คนอื่นได้มีเวลาให้คนอื่นได้อั น, นี้ก็เป็นเรื่องของจิตใจ จิตใจของพวกเรานี้ไม่ต้องการข้าวของเงินทองไม่ต้องการคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขเพราะมันเป็นความสุขปลอมความสุขที่แท้จริงของใจก็คือความสุขที่เกิดจากการทําบุญให้ทานความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลความสุขที่เกิดจากการ นั่งสมาธิความสุขที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมให้เกิดปัญญาขึ้นมาดังนั้นขอให้เรามาสร้างความสุขทางใจกันดีกว่ามาอยู่วัดมารักษาศีลกันมาฝึกนั่งสมาธิ ฟังเทศฟังธรรมแล้วต่อไปกลับบ้านก็เอากลับไปกลับทมที่บ้านต่อพรามันต้องทาอยู่เรื่อยๆถึงจะถึงจะมีความสุขมากและมีความสุขนานถ้าเรามาทำเฉพาะเวลาที่เรามาอยู่วัดกลับไปเราไม่ทาเดี๋ยวความสุขที่เราได้มันก็จะหายไปนอกจากได้ความสุขแล้วเราอย่างได้ ดับความทุกข์ต่างๆด้วยความทุกข์ต่างๆก็เกิดจากความหิวความอยากของใจเราที่ได้อะไรมาเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วพออยากได้อีกแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็เสียใจหรือโกรธน้อยใจทั้งๆที่มีอะไรมากมายกายกองอยู่แล้ว พออยากจะได้แล้วไม่ได้ขึ้นมาก็เสียใจทุกข์ใจขึ้นมาเนี่ยปัญหาที่จะตามมาถ้าเราไปหาสิ่งต่างๆหาความสุขจากสิ่งต่างๆหาความสุขจากบุคคลต่างๆมันจะทําให้เราจะต้องเจอความเสียใจเจอความผิดหวัง เจอความทุกข์ใจเพราะสิ่งต่างๆที่เราอยากได้บางทีเราก็ไม่สามารถที่จะได้หรือสิ่งที่เราได้มาแล้วก็อาจจะจากเราไปพอจากเราไปเราก็เสียใจพออยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็เสียใจน้อยใจแต่ถ้าเรามาหาความสุข จากการทำบุญจากการรักษาศีลจากการนั่งสมาธิจากการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เราจะไม่เสียอะไรเราจะไม่มีวันเสียใจเพราะเราไม่มีอะไรที่ต้องเสียเพราะของเหล่านี้มันอยู่ในใจเราบุญมันอยู่ในใจการให้อยู่ในใจทำทานเรา มีอะไรเราก็ทํามากน้อยเราก็ทําได้แม้แต่ข้าทักทีหนึ่งใส่บาก็เป็นบุญเป็นความสุขได้ศีลเราก็รักษาไม่มีใครเอาไปได้ไม่มีวันจากเราไปถ้าเรารักษามันก็จะอยู่กับเราศีลห้ 5, 8, งาศีลแปดนั่งสมาธิทําใจให้สงบมันก็จะอยู่กับเราไม่มีใครเอาแย่งเราไปได้ เราสามารถนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ทุกแห่งทุกคนทุกเวลาถ้าเรารู้จักวิธีทำใจให้สงบถ้าเรามีสติมีพุทธโธพุทธโธอยู่ในใจนี่เราก็จะมีความสุขได้เราก็ไม่มีความเสียใจเพราะมันไม่จากเราไปเหมือนกับข้าวของเงินทองต่างๆเหมือนกับบุคคลต่างๆ ธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังนี่มันก็อยู่กับเราเป็นเพื่อนเราเพื่อนที่ดีของเราก็คือธรรมะนี่แหละที่จะคอยสอนเราคอยบอกเราให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ดีนี่แหละคือสิ่งที่เราควรที่จะหากัน พอหาแล้วมันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆ อ, อย่าไปหาสิ่งที่มันจะไม่อยู่กับเราหามันแล้เดี๋ยวมันก็หมดไปไปกินอะไรกินเสร็จมันก็หมดไปแล้วเดี๋ยวก็ถ่ายออกไปแนละ้วเดี๋ยวก็ต้องไปกินหม่ไปเที่ยวไปดูไปฟังอะไรดูเสร็จมันก็หมดไปแล้วก็ต้องไปดูใหม่ไปฟังใหม่ แล้วท่านอยากจะดูแล้วไม่ได้ดูก็เสียใจอยากจะฟังแล้วไม่ได้ฟังก็เสียใจเราคิดว่าเราหาความสุขกันแต่ความจริงเรากำลังหาความทุกข์กันที่เรามาอยู่วัดนี่เพราะเราทุกข์กันทุกข์กับเรื่องเงั้นทุกข์กับเรื่องนี้ก็เไยมาอยู่วัดดีกว่า มาอยู่วัดเราจะได้ลืมเรื่องต่างๆไปลืมแล้วก็สบายใจลืมแล้วก็ไม่ไม่ไม่มีความอยากที่จะได้สิ่งต่างๆก็เลยไม่รู้สึกเสียใจแต่เดี๋ยวกลับไปก็อยากอีกพออยากอีกเดี๋ยวไม่ได้ ก, ก็เสียใจนีกเรามาหาวิธีฮะ เรามาหาวิธีหาความสุขแบบใหม่หาความสุขที่ไม่ต้องหาจากคนอื่นหาความสุขจากในตัวเรานี่แหละรักษาศีลนี่มันก็มีอยู่ในตัวเราสติสมาธิก็มีอยู่ในตัวเราธรรมะก็อยู่ในหนังสือธรรมะเปิดอ่านได้ฟังได้ของฟรีไม่เสียตังค์ของดีกับไม่เสียตังค์กับไม่ชอบ ชอบของไม่ดีที่ต้องเสียตังค์ของที่จะทำให้เราทุกข์นี้ชอบกันซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวมันหายไปก็ทุกข์แล้วซื้อกระเป๋ามาเดี๋ยวกระเป๋าหายก็ทุกข์ซื้อมือถือใหม่มาเดี๋ยวมือถือหายไปก็ทุกข์แล้วชอบของไม่ดีชอบของที่เป็นทุกข์ชอบของเสียเงินของฟรีๆนี้ไม่ไม่ชอบกัน มีธรรมะแล้วใจจะมีความสุขใจจะมีความอิ่มความพอเพราะธรรมะจะสอนให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่น่าหนีไม่น่าซื้อเพราะมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันต้องจากออกไปจากแล้วเราก็เสียใจ ที่เราหาทุกวันนี้เพราะสิ่งที่เราหามาได้มันมาแล้วก็ไปใช่ไหมหาเงินมาได้ไม่กี่วันหมดอีกแล้วหาเงินมาได้เท่าไหร่หมดแล้วไม่รู้มันใครเอาไปกันไม่รู้เงินมันหายไปไหนเรารักษาเงินยังไม่เป็นยังไงหามาปั๊บหายไปแล้วถึงต้องไปหากันอยู่เรื่อ ย, อยให้มันรู้จักรักษาบ้างสิ ไม่รักษากันเลยซื้อมาปั๊บยังบางทีหามายังไม่ทันหามาเลยใช้ไปก่อนละรูดบัตรไปก่อนนะเป็นหนี้ละนี่แหละของพวกนี้มันไม่เที่ยงมันถึงทำให้เราทุกข์กันใครว่าเงินทองเป็นสุขกันเงินทองเป็นสุขด้วยเป็นทุกข์กันตั้งเงินทองเป็นสุขเราก็ต้องอ ไม right ่วุ่นวายกันเรื่องเงินทองแต่ทำไมเราต้องวุ่นวายกันเรื่องเงินทองทำไมต้องหามันอยู่เรื่อยเวลาหามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เวลาหาเงินเนี่ยสุขหรือทุกข์กว่าจะได้เงินมาสักบาทเนี่ยเหนื่อยไปขายข้าวของอะไรต่างๆพอได้มามนรู้หายไปไหนละสองวันหายไป นันะเรากำลังไปหาความทุกข์กันเพราะว่าของที่เราหามาเนี่ยหามาแล้วมันไม่อยู่กับเราหามาได้ปร๊บเดียวเดี๋ยวไปแล้วของกินของใช้ซื้อมาปป๊บมือมดเดียวหมดเข้าไปใส่ในตู้เย็นไม่กี่วันใคนขโมยไปกินหมดต้องไปหาใหม่แล้วนี่ขโมยมาขโมยของเราอยู่เรื่องนะขโมยขนมนมเนย ขโมยกับฟงกาแฟไ ม, ไม่รู้ใครมาขโมยนะไปซื้อมาไม่กี่วันใสไปใ น, นตู้เย็นไม่กี่วันหมดละต้องไปซื้อใหม่ละไปหาใหม่ละเราไปซื้อของที่มันไม่อยู่กับเราได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดไปแล้วก็ต้องไปหามาใหม่ได้แฟนมาดีไม่ดีเดี๋ยวเผลอหายไปแล้วใครเอาไปก็ไม่รู้ไง มีใครไม่ไม่มีใครไม่มีแฟนหายได้แฟนมาเดี๋ยวแฟนก็หายไ ป, ไ, ปได้ลูกมาเดี๋ยวลูกก็หายไปลูกมันอยู่กับเราไม่กี่วันเผล อ, อมันไปอยู่กับคนอื่นนะไปอยู่กับเมียไปอยู่กับผัวมันนะฮะได้อะไรมามันไปหมดเอาถิ่นทุกข์กัน เราถึงเสียใจกันเศร้าโศกเสียใจน้องห่มน้องห้างกันเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นของเดียวเดียวเป็นของชั่วคราวไม่ใช่เป็นของเราได้อะไรมาเดี๋ยวมันก็ไปหมดไปแล้วพอเราไม่มีอะไรเราก็รู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเศร้าซ้อยน่อยเหงาอันนี้แหละคือ ความทุกข์ที่จะตามมาเพราะว่าไม่ว่าเราจะได้อะไรมาไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องอยู่คนเดียวเดี๋ยวคนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปสิ่งนั้นก็ไปสิ่งนี้ก็ไปแม้แต่ร่างกายเราเดี๋ยวมันก็ไปจากเราพระพุทธเจ้าบอกมหาของที่เป็นของเราดีกว่าบุญนี่แหละเป็นของเรา ทำบุญนะบุญจะอยู่กับเราเป็นของเรารักษาศีลแล้วก็จะอยู่กับเรานั่งสมาธิแล้วมันก็จะอยู่กับเราความสงบมันก็จะอยู่กับเราฟังเทศฟังธรรมได้ความรู้ได้ปัญญามันก็จะอยู่กับเราแล้วของเหล่านี้มันจะให้ความสุขกับเรามันจะไม่มีวันจากเราไป ต่อไปเราไม่มีร่างกายเราไม่มีอะไรเราก็อยู่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าภาษาวกนี้ท่านไม่ต้องมีร่างกายเหมือนพวกเราเพราะถ้าท่านมท่านมีบุญท่านมีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาท่านเลยไม่ต้องมีราบยศและเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนพวกเรา แล้วของที่พวกเรามีอยู่นี่เดี๋ยวก็ต้องหมดไปเดี๋ยวร่างกายนี้ก็ต้องหมดไปพอหมดไปลาบยศศรเสะละเสริญที่มีอยู่ก็หมดไปสามีภรรยาก็หมดไปลูกก็หมดไปทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองก็หมดไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเหลืออยู่แต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเหลืออยู่แต่ความหิวความอยาก เพราะไม่เคยมีความอิ่มในตัวเองไปอาศัยความอิ่มจากสิ่งต่างๆพอไม่มีสิ่งต่างๆมาให้ความอิ่มกับเราก็เลยมีแต่ความหิวพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามาหาสิ่งที่จะให้ความอิ่มกับเราและอยู่กับเราไปตลอดก็คือบุญชนิดต่างๆบุญที่เกิดจากการทำทานบุญที่เกิดจากการ รักษาสิงบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบบุญที่เกิดจากการเจริญปัญญาการฟังเทศฟังธรรมบุญคืออะไรบุญก็คือความสุขใจอิ่มใจนี่ที่พวกเราต้องการกันทุกคนแต่เรากลับไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนกันเรากลับไปหาความทุกข์ใจ ความหิวใจกันแทนที่จะไปหาความสุขใจความอิ่มใจเรากลับไปหาความหิวหาความทุกข์กันากะลาบยศสรรเสริญเนี่ยมันทำให้เราหิวไม่ใช่ทำให้เราอิ่มเคยเคยพอไหมได้เงินมากี่ร้อยกี่พันล้านพอไหมแต่ไมันไม่พออย่าวไปมากไมกาากายกองแล้วได้ตํตำแหน่งพอไหม ในตำแหน่งนี้แล้วพอไหมได้ในร้อยแล้วอยากจะเป็นนายพันหรือเปล่าไดนายพันแล้วอยากจะเป็นนายหมื่นหรือเปล่าก็อยากไปเรื่อยๆของต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้ให้ความอิ่มมันให้ความอยากดื่มกาแฟแก้วเดียวแล้วพอไหมสูบบุหรี่มวนเดียวแล้วพอไหมดื่มเหล้าแก้วเดียวแล้วพอไหมมีแฟนคนเดียวก็้วพอไหม <laughs> มันไม่มีวันพอของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ต่อให้ได้มามากน้อยเพียงไรมันจะไม่พอถ้าอยากจะได้ความพอความอิ่มต้องเอาเอาบุญเนี่ยบุญนี่แหละจะให้ความอิ่มความพอกับเราทำบุญทำทานแล้วอยากจะทำอีกไหมไม่ค่อยอยาก รักษาสิแล้วอยากจะรักษาไม่ไม่อยากจะรักษา <c oughs> <c oughs> นั่งสมาธิแล้วยังอยากจะนั่งไม่อยากนั่งออ <c oughs> ของดีๆทําไปเถิดเนี่ยแล้วจะเกิดความสุขใจอิ่มใจจะไม่หิวไม่โหยอยู่คนเดียวได้อยู่แบบคนยากจนได้ไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเ ง, งินทอง ไม่เดือดร้อนไม่มีแฟนไม่มีครอบครัวไม่เดือดร้อนดูพระสงฆ์องค์เจ้าท่านมีอะไรบ้างมีครอบครัวบ่างมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองบ่าไม่มีอะไรแต่ท่านอยู่ได้ท่านอยู่ด้วยบุญอยู่ด้วยการรักษาศีลอยู่ด้วยการนั่งสมาธิ อยู่ในการเจริญปัญญาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดความรู้ความฉลาดที่จะสอนใจให้รู้ความจริงว่าความสุขแท้จริงนั้นคืออะไรพวกเราไม่รู้กันพวกเราไปคิดไปเห็นความสุขปวามเป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่จะต้องกลายเป็นความทุกข์ เพราะสิ่งที่ให้ความสุขกับเรามันเป็นของชั่วคราวมันได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปหมดไปก็ต้องหาใหม่ถ้าหาไม่ได้ก็เสียใจทุกใจดังนั้นมาหาความสุขที่แท้จริงดีกว่ถ้าไม่มีเงินทำบุญทำทานก็ไม่ต้องทำบุญ ทานนี้ให้ทำเวลาที่เรามีเงินแล้วเวลาอยากจะเอาเงินไปซื้อกระเป๋าซื้อลองเท้าให้เอาไปทำบุญแทนเวลาอยากจะเอาเงินไปเที่ยวเอาไปทำบุญแต่ถ้าไม่มีเงินไปเที่ยวไม่มีเงินไปซื้อกระเป๋ารองเท้าก็ไม่ต้องทำเอาเงินเก็บไว้กินข้าวถ้าต้องซื้อข้าวกินก็ไม่ต้องมาทำบุญที่ให้ทำบุญก็เพราะว่ามัจะเอาเงินไปซื้อ ซื้อความหิวกันไม่ได้ซื้อไปไปซื้อความอิ่มกัน <ham string> ไปเที่ยวแล้วมันหายมันมันหายอยากเที่ยวนะเท <ø ns k> ี่ยวแล้วเดี๋ยวมันยิ่งอยากไปเที่ยวใหญ่ mm. ไปเที่ยวเมือง น, นี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะไปเที่ยวเมืองนั้นต่อเนี <Hard> ่ยท่านบอกอยาก่ออยาเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปทาบุญดีกว่าแล้วมันจะไม่อยากเที่ยวอยากเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้า ซื้อของที่เรามีเหลือกินเหลือใช้อยู่แล้วซื้อแล้วมันก็อยากจะซื้อเรื่อยๆซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ทำเรามาเก็บไว้เฉยๆล้นตู้เต็มบ้านเห็นะมมีแต่ข้าวของเต็มบ้านไปหมดแล้วพอไหมเรายังอยากพอไหมมีของล้นบ้านเต็มบ้านแล้วยังอยากจะซื้ออีกเปล่าก็ยังอยากอีกไปเดินตามห้างเด้อไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีไอ น, นั่นก็สวยไอ้นี่ก็สวย ท่านจะใช้เงินแบบนี้ท่านบอกเอาเงินไปทำบุญดีกว่าทำแล้วต่อไปรับรองว่าจะไม่ไม่อยากซื้ออะไรเพราะทำบุญแล้วมันมีความสุขมากกว่ามันมีความสุขใจอิ่มใจถ้ามันมีเงินแทนที่จะไปซื้อข้าวซื้อของมันก็จะเอาไปทําบุญกันแล้วก็มารักษาศีลกันลองต้นการรักษาศีลห้ากันไปก่อน รักษาศีล5้าได้ก็รรักษาศีลแปดถ้าไม่รักษาศีลแปดเราก็จะไปนั่งสมาธิไม่ได้เพราะเราจะไม่มีเวลาถ้ารักษาศีลห้าเรายังไปเที่ยวได้เป็นกินข้าวเย็นไปงานเลี้ยงไปกินอาหารข้ามไปงานเลี้ยง ต, ต่างๆได้ไปไปลงละครได้ไปโรงภาพยนตร์ได้แต่ถ้าเราถือศีลแปดเราก็จะไปไม่ได้ ไปทํากิจกรรมต่างๆไม่ได้เราก็จะมีเวลามานั่งสมาธิตั้งแต่เที่ยงหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็ว่างไม่รู้จะทําอะไรเลยเดินจกงกลมนั่งสมาธิแต่ไม่มาอยู่วัดแล้วมีอะไรให้ทําไม่มีเลยสบายเลยถ้าไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวก็เปิดทีวีดูเปิดนั่นเปิดนี่ดูเปิดนั่นเปิดนี่ฟัง กินนั่นกินนี่ดื่มนั่นเดื่มนี่กันไปาใ <c oughs> จไม่มีเวลามาฝึกนั่งสมาธิกันไม่มีเวลามาฟังเทศฟังธรรมหนึ่งถ้าอยากจะได้บุญได้ความสุขที่มากขึ้นไปเรื่อยๆต้องรักษาศีลแปดเพราะบุญหรือความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธินี้มันมันสูงสุดมันมากที่สุด ถ้าเป็นแบงก์ก็แบงก์ใบละพันถ้าถ้าทําบุญทํา ท, ทานนี่ก็เหมือนแบงก์ใบละยี่สิบถ้ารักษาศีลก็เหมือนแบงก์ใบละห้าร้อยใบละร้อยใบละห้าร้อยศีลห้าก็ร้อยศีลแปดก็ห้าร้อยถ้าอยากได้แบงก์ใบละพันก็นั่งสมาธิเราจะไม่หิวไม่อยากไม่ต้องมีอะไร อยู่คนเดียวได้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็มีความสุขได้แต่ถ้าต้องไปเที่ยวถึงยังมีความสุขเวลาแก่ก็ไปไม่ไหวแล้วต่อไปก็ไปไม่ได้เลยเคยไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ต่อไปแก่ก็ไปไม่ไหวแล้วแลเวลาเจ็บ่ายได้ป่วยก็ไปไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เวลาตายก็จบ แต่ใจถ้ามีสมาธินี่สามารถมีความสุขได้เหมือนกับไปเที่ยวเป็นความสุขที่ดีกว่าไปเที่ยวร้อยเท่าพันเะท่าเวลาแก่ก็ยังไปเที่ยวได้ได้ความสุขแบบไปเที่ยวได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ความสุขแบบไปเที่ยวได้เวลาตายก็ยังมีความสุขแบบไปเที่ยวดังั้นมาหาความสุขแบบนี้กันดีกว่า ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานอะไรต่างๆพ อ, อต่อไปมันจะทำไม่ได้ต่อไปร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายจะทำไม่ได้หรือถ้าไม่มีเงินไม่มีทองก็จะทำไม่ได้แล้วเวลาที่ทำไม่ได้เป็นยังไงเวลาต้องอยู่บ้านเฉยๆ เราซอยหงอยเหงาว่าเหวหรือเปล่าแต่ถ้าเรานั่งสมาธิได้เราก็ไม่ต้องทำอะไรร่างกายไม่สบายก็นั่งสมาธิไปนอนสมาธิไปอยู่บ้านไม่ไม่ได้ออกไปนอกบ้านไม่มีเงินไปเที่ยวข้างนอกเราก็นั่งสมาธิได้อยู่บ้านทาใจให้สงบได้นี่แหละคือความสุข ที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและได้ไ ด, ได้ได้รับจากการปฏิบัติของท่านแล้วท่านได้รับความสุขอันยิ่งใหญ่นี้แล้วท่านก็เอามาแจกจ่ายให้กับพวกเราพวกเราที่โง่ไปหาความทุกข์กันจะได้มาหาความสุขกัน นี่คือความจริงพระพุทธเจ้าไม่โกหกและภาษาวกก็เป็นผู้รับรองพระพุทธเจ้าภาษาวกก็เป็นเหมือนพวกเรานี่ะเมื่อก่อนที่ท่านก็หาความสุขแบบพวกเราหาความสุขจากเงินทองข้าวของหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่พอได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็เลยลองหาความสุขแบบพระพุทธเจ้าสอน ไปรักษาศีลไปนั่งสมาธิกันทำใจให้สงบกันก็เลยได้พบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เขาเคยได้รับ <c oughs> เขาก็เลยรับรองคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีพาษส า, ารวงลุ่มใดมาบอกว่าพระพุทธเจ้าพูดโกหกเลยมีแต่รับรับรองรับรองว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ยทุกอย่างเป็นความจริงหมด ฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้ความสุขไม่อยากจะได้ความทุกข์ก็มาทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนเถิดมาทําทานกันมารักษาศีลกันมารักษาศีลห้ารักษาศีลแปดกันมาฝึกนั่งสมาธิกันมาฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อเราจะได้มีความรู้วิธีที่จะรักษาความสุขที่เราได้จากสมาธิ เพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักวิธีออกจากสมาธิมาเดี๋ยวความสุขมันก็หายไปได้สิ่งที่จะมาทำลายความสุขที่ได้จากสมาธิก็คือความอยากเนี่ยอยากได้สิ่งต่างๆอยากไปเที่ยวอยากจะดูอยากจะฟังอะไรเนี่ยก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปอยากไปทำทำแล้วจะทุกข์แทความสุขที่ได้จากสมาธิจะหายไป ถ้าไม่ไปทําตามความอยากความสุขที่ได้จากสมาธิก็จะอยู่ต่อไปต่อไปไม่มีความอยากก็จะไม่มีอะไรมาทำลายความสุขที่เราได้จากสมาธิความสุขจากสมาธิก็จะเป็นความสุขที่ถาวรต่อไปนี่คือเรื่องราวของพุทธศาสนาที่ชาวต่างชาติอุตสาข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อมาอ ศึกษามาปฏิบัติเพราะบ้านเขาไม่มีที่ศึกษาแบบบ้านเราไม่มีวัดป่าเหมือนวัดเราบ้านเราไม่มีญาติโยมที่พร้อมที่จะสนับสนุนใส่บาตร ท, ทาบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าเหมือนกับบ้านเราบ้านเหมือนเขาจเจริญขนาดไหนแต่เขาไม่สามารถที่จะมีที่สร้างความสุขทางใจได้เขามีแต่ที่สร้างความทุกข์ทางใจกัน ทุกโดยการไปเที่ยวทุกโดยการไปหาเงินหาทองไปหาข้าวหาของหาสิ่งต่างๆกันแต่เขาไม่มีที่ที่จะไปให้เขามีความสุขทางใจกันเขาเลยต้องอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลม า, าเ ม, เามาบ้านเรามาบ้านเรามาอยู่ตามวัดป่าต่างๆบนนี้ก็มีชาวต่างประเทศมาอยู่เรื่อยๆมาบวชชั่วคราวามาบวชพระก็มีมาอยู่แบบถือผ้าขาวก็มี มีฝรั่งคนหนึ่งนี้ปีหนึ่งจะมาสองครั้งอยู่ครั้งละเดือนหนึ่งพอทํางานได้หกเดือนก็ได้หยุดหนึ่งเดือนพอหยุดหนึ่งเดือนก็เคลื่อนเครื่องมาลงสนามบินก็มาวัดเลยถามว่าวาดไปเที่ยวไหนอราไม่ไปแล้วพอพอครบสามสิบวันก็ไปสนามบินบินกลับไปทํางานต่อตอนนี้เขาบอกว่ายังต้องทําอีกสองปีจะได้บํานาญพอได้บํานาญแล้วเขาก็จะบวช เพราะว่าถ้าเขาลาออกตอนนี้บำนาญเขาจะไม่ได้ก็เลยต้องรอยครึ่งสองปีอันนี้ก็แสดงว่าก็เห็นคุณค่าความสําคัญของพระพุทธศาสนาเราเห็นคุณค่าของความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิจากการฟังเทศน์ฟังธรรมเขาจึงต้องมาที่เมืองไทยเพราะ ที่เมืองไทยมีที่ให้เรานั่งสมาธิกันตามวัดป่าวัดเขานี่แหละเป็นที่นั่งสมาธิอย่างนั้นอย่าให้ฝรั่งเข้ามาขาโมยทรัพย์สมบัติของเราไปนะของดีเรากลับไม่เอานะเรามันพวกใกล้เกลือกินด่างเมื่อไหร่ชอบไปกินแบบฝรั่งเห็นฝรั่งเขามีรถเก๋งก็อยากจะมีรถเก๋งเห็นเขามีคอนโดก็อยากจะมีคอนโด เห็นเขามีผมเหลืองก็อยากจะมีผมเหลืองมาบเขาแต่ฝรั่งมันกลับมาหาเรามาตามเรากลับมาโกนหัวอยู่แบบพระกันทาไมเราไม่ทำตามฝรั่งบ้างล่ะฝรั่งมันมาโกนหัวมาโบวถกันทำไมเราไม่ตามมันมาบ้างไมันรู้ใครถูกใครผิดก็ไม่รู้ม่รู้ใครโง่ใครฉลาดก็ไม่รู้ก็เอาไป เอาไปคิดดูเอาไว้แล้วกันนะวันนี้ให้คอคิดแค่นี้แหละก็ขออนุโมทนาให้พรยะธ า, าวลเรวาหาปุราปะรุปเรนติสกากการังเอวเมวะอิตตทินางเปตานางอุปกา ป, ะปะติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิชโตสัพเพปเรนตุสังกปา จันโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิตโยวิวาชนตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีคายุโกภะอภิวาทนศีดิสนิจังวุทธาปจายโนจตารธรมมวาทานติ อายุวันโอสุขังภาลางังใช้ลำโพงทั้งหมดกี่ตัวแล้วนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่สามตัวตัวเล็กหนึ่งตัวครับแล้วถ้าเกิดชั้นบนนี้ท่านต้องใช้เราไปติดได้หรืเราเราก็จะสื้อลำโพงเล็กขี้ไปแล้วเป็นตัวไรเล็กขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้ตัวข้างหลังที่สีมกลางที่ข้างบน กอยู่ข้างบนก็ได้ยินได้ยินชัดเลยนะบน่บนอยู่ตรงนี้เลยดีทันสมัยดีเนมะื่อก่อนพระพุทธเจ้าเทศให้ให้พระอาราณหน 1, ึ่งพันสองรูอยห้สิบรูไม่ทราบชั้นใช้ระบบเสียงอะไรนะ วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทางเฟซบุ o กค่ะทาง Facebook สูงสุด445ค่ะออแล้วยูทูบทาง u t u b e สูงสุด9 2ค่ะออ9 2มีใครอยากจะถามอะไรไมั mm ้ย hmm. ถ้าไม่มีก็ลองเอาคำถามมีต่างประเทศหรือเปล่าไม่มีค่ะวันนี้มไม่มีชาลานอเทียสตีเฟนมอริส not here olivia not here <laughs> ชื่อที่ l สเวก e สโท็อ尼 not h ย r e everybody on vacation on holiday คำถามอะไรลองถามมาถ้ามีคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะอ <c oughs> uh, ลองพูดดูโยมเอาโยมเอาเงินส่วนหนึ่งลงทุนทำบุญธุรกิจเอ้ยขอโทษนะคะ โยมเอาเงินโยมเอาเงิน <c> โ <oughs> ยมเอาเงินส่วนหนึ่งลงทุนทำธุรกิจกับสามีซึ่งจดทะเบียนกันแล้วแต่ทะเลาะกันบ่อยมากกลัวว่าสักวันจะเลิกกันคำถามคือข้อที่หนึ่งจะผิดสินไหมคะถ้าจะแอบหยิบเงินส่วนของตัวเองที่ลงทุนไปคืนจะไม่บอกสามีคะ่ะ มันก็พูดยากคือถ้าบอกว่าเป็นส่วนของเราแล้วเราเก็บส่วนของเราไว้มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ที่เขากลัวว่าเขาจะว่าไม่ได้เอาแต่ส่วนของเขาส่วนของเราเด็กเขาก็จะเอาส่วนของเราของเขาไปด้วยนั้นเราก็ไม่รู้ว่าส่วนไหนเป็นของเขาส่วนไหนเป็นของเรานอย่างนั้นทางที่ดีควรจะพูดกันดีกว่า ก็พูดกันเลยว่าต่อไปได้แยกบัญชีกันทั้งกันมีสองสองบัญชีของเร า, าของเข้าไปเวลาเวลาเข้ามาก็แบ่งเข้าไปสองบัญชีเลยเวลาจ่ายก็จ่ายสองบัญชีจะได้รู้รู้ว่าเป็นของใครของมันถ้าทำแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันมันมันอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้อาจจะเอามากเกินไปเราคิดว่าเป็นส่วนของเราแต่มันอาจจะเป็นส่วนของเขาด้วยก็ได้ ถ้าทำมันก็จะผิดศีลได้ข้อที่สองค่ะ <c oughs> จะผิดศีลไหมคะถ้าหยิบส่วนของตัวเองครบแล้วและจะหยิบต่อไปเรื่อยๆเอาไว้เป็นคุณเพราะถ้าเลอกกันเขาบอกไว้แล้วว่าจะไม่ให้อะไรยงสักบาทเดียวแล้วก็เท่ากับโยมต้องตกงานด้วยไม่อยากขึ้นศาลฟ้องร้องเอาค่ะขอคาแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยค่ะถ้าเรามั่นใจว่าเป็นสวยของเราก็ <c oughs> เอ า, าไปก็ไม่ผิดศีล คุณอ่องยดาค่ะสาวันที่แล้วได้นั่งสมาธิพอสงบดีก็เกิดสภาวะรู้สึกเหมือนทั้งตัวหมุนติ้วเป็นลูกข่างจนจะวูบแต่ยังไม่ทันวูบ ก, ก็มีเสียงจากบ้านข้างๆดังมากจนสะดุง้งแล้วสภาวะนั้นก็หายไปนั้นคืออะไรเจ้าคะนั่นคือไม่มีสตินั่งแบบไม่มีสติถ้านั่งมีสติแล้วมันจะไม่มีสภาวะอะไรมันจะนิ่งจะสงบ หรือถ้าจะมันวูบมันก็จะแบบแบบตกหลุมตกเหวไปแล้วก็นิ่งแต่ถ้าแบบหมุนหมุนนี่มันไม่คงจะเป็นเพราะไม่มีสติมากกว่าเออต้องมีสติกำกับใจตลอดเวลาถ้าพุโทโธก็ต้องพุโทโธอยู่เรื่อยๆอย่าหยุดพุดโทโธถ้าดูลมหายใจก็ต้องดูลมไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะดิ่งเข้าสู่ความสงบนะค่ะคถามจากกุลาวันค่ะ จาละอวิชาได้อย่างไรอะไรคืออวิชาคะอวิชาก็คือความงงความไม่รู้วิชาแปลว่าความวิชาก็คือความรู้อะก็คือไม่อวิชาก็คือไม่รู้ไม่มีความรู้ก็ต้องเอาวิชามาดับอวิชาวิชาคืออะไรก็คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงให้มาฟังเทศฟังธรรมอะงเพื่อจะได้ดับอวิชาความไม่รู้ต่างๆ ตอนนี้เราไม่รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเราไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราเราก็เลยต้องไปทุกข์กับมันถ้าเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราเราไม่ทุกข์แน่นอนใช่เพราะร่างกายคนอื่นเรามาเห็นทุกข์ด้วยเพราะเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเรานี่คือธรรมะหรือวิชาถ้าเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็จะรู้ว่าอะไรเป็นของเราอะไรไม่ได้เป็นของเราอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์ อะไรเที่ยงอะไรไม่เที่ยงเนี่ยจะรู้หมดถ้ารู้หมดแล้วก็จะสบายจะไม่มีความทุกข์ความทุกข์ของเราเกิดจากความหลงความไม่รู้ความจริงเอหลงไปคิดว่างูเห่าเป็นปลาไหลอย่างเนี้ยก็ไปจับมาผู้จ้ามากินพอไปจับงูเหา่าก็เลยโดนงูเห่ากัดคําถามจากคุณสิริค่ะปฏิบัติทำมาได้ซัระยะหนึ่ง แล้วค่ะมีความรู้สึกท้อถอยและว้วาวเวยแตลกๆค่ะแต่ไม่อยากหยุดปฏิบัติขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ค่ะก็ต้องทำไปเรื่อยๆเหมือนกับเราเรียนหนังสือเนะี่ยเราก็เรียนได้ตั้งสิบสองสิบสามปีส6บหปีใช่ถึงเวลาก็ไปโรงเรียนจะท้อบ้างไม่ท้อบ้างก็ไปทำไปเรื่อยอถ้าเราเรียนส6บปีได้ปฏิบัติแค่เจ็เดือนเจปีทำไมจะปฏิบัติไม่ได้ หลักสูตรของพระพุทธศาสนาสั้นกว่าหลักสูตรของทางโลกสิทางโลกนี้เราต้องเรียนสิบหกปีถึงจะได้ปริญญาตรีนะใช่ั้ยแล้วก็สิบแปดปีได้ปริญญาโทยี่สิบกว่าปีได้ปริญญาเอกแต่ถ้ามาปฏิบัติทางธรรมนี้พระพุทธเจ้าบอกบางทีเจ็ดวันก็ได้แลวถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนอย่างมากก็เจ็ดปี แอนอย่าท้อแท้ท้อแท้ก็อย่าหยุดท้อบ้างก็มีวันไหนท้อก็ทําน้อยหน่อยทําเบาหน่อยกําลังน้อยก็ทําน้อยหน่อยหรือถ้าจะพักบ้างก็ได้ถ้ามันเหนื่อยไม่มีกําลังจะปฏิบัติก็หยุดสักวันแต่อย่าไปเที่ยวนะั้นหยุดพักเฉยๆมาทำของเบาๆมาฟังเทศแทนมาอ่านหนังสือธรรมะแทน ไม่ใช่พอท้อครูก็เลยไปช้อปปิ้งเลยไปดูหนังไปเที่ยวเลยน <c oughs> บไป <c oughs> ท้อก็พักได้ <c oughs> พักด้วยการทําของเบาๆเช่นฟังเทศฟังธรรมเนี่ยวันนี้ก็มาติดตาม ถ, ถ่ายทอดสดไปถ้าไม่มีกำลังที่จะนั่งพุทธโธพุทธโธวันนี้ก็ฟังเทศไปก่อนฟังย้อนหลังบ้างมีเทศเยอ ะ, ยะให้ฟัง แล้วเดี๋ยวพอมีกำลังก็กลับมาทำต่อจิตก็เป็นอย่างนี้แหละบางทีก็มีกำลังบางทีก็ไม่มีกำลังการฟังเทศฟังธรรมนี่ก็จะช่วยให้เกิดกำลังใจขึ้นมาได้คำถามจากผู้ฝากถามค่ะบริจาคเลือดอยู่เป็นประจำอยากทราบว่าอธิษฐานขอให้ตัวเองมีสุขภาพแข็งแรงและขอบคุณสรรพชีวิตที่เราได้กินเนื้อเป็นอาหารอธิษฐานอย่างนี้ได้ไหมคะ อธิษฐานมันคือถ้าแปลว่าขอมันไม่ได้หรอกอยากจะมีสุขภาพดีก็ต้องอยากกินเหล้าเมายายาสูบบุหรี่ตามทำตามหมอสั่งต้องอกินอาหารที่สะอาดอากาศที่สะอาดน้ำที่สะอาดออกกำลังกายอะไรทำนองนี้มันก็จะมีสุขภาพดีมันไม่ได้เกิดจากการบริจาคเลือหรอก คำถามจากคุณนุชนาฏค่ะการเจริญมรณสติกับการดูอสุภะต่างกันแบบไหนคะคือการเจริญมรณะนุสติเพื่อให้เราเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายร่างกายของเรานี่ตายได้ทุกเวลานาทีถ้าเกิดหยุดหายใจเมื่อไหร่หยุดหัวใจหยุดเต้นเมื่อไหร่ก็ตายได้ทันทีอันนี้เรียกว่ามรณะนุสติการสิ้นสุดของชีวิต ส่วนส่วนอสุภะนี้ดูความไม่น่าดูของร่างกายก็ต้องดูตอนที่มันตายมันไม่น่าดูตอนที่ร่างกายตายนี่ใครอยากจะเก็บเอาไว้ที่บ้านไหมรักกันขนาดไหนพอตายก็ยกให้สับเละเลยแต่ถ้ายังไม่ตายนี่ใครมาแย่งกับข่ากันตายนะนั้นต้องนึกถึงเวลาที่เขาตายบ้างอย่าไปรักอย่าไปห่วงอย่าไปรักอย่าไปชอบเขา คิดถึงเวลาร่างกายกลายเป็นซากศพบ้างหรือไม่เชนั้นก็ดูเข้าไปข้างในไปดูก็ผ่าศพเพื่อจะได้เห็นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายเห็นส่วนที่ไม่สวยงามเห็นหัวใจเห็นตับเห็นไตเห็นปอดเห็นลำไส้เห็นปัสสาวะเห็นอุจจาระเนี่ยแต่เห็นสิ่งเหล่านี้เห็นโครงกระดูกเนี่ยแล้วมันก็จะละความอยากในการเสพกามได้ ทำหน้าที่ต่างกันสองอย่างนี้อันแรกเตือนใจเพื่อให้ไม่หลงว่าจะอยู่ไปจนว่อยู่ไปตลอดต้องเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมที่จะตายจะได้ไม่ทุกข์เราก็จะทำให้ละความโลภความอยากต่างๆได้ถ้ารู้ว่าจะตายยังอยากจะไปเที่ยวไหมยังอยากจะไปช้อปปิงนะ้งไมไม่เอาแล้วอยากจะเข้าวัดอยากจะทําใจให้สงบแล้วนะถ้าเราคิดถึงความตายมันก็จะเปลี่ยน ทางเดินของเราจากการไปเที่ยวไปชอปปิ้งมาสู่การมาทำบุญรักษาศีลมาปฏิบัติธรรมกันเพื่อที่เราจะได้มีความสงบมีความสุขใจแล้วเวลาเราตายเราก็จะได้ไม่ทุกข์กันนี่คือเป้าเป้าหมายของการเจริญวานุสติส่วนการเจริญอสุภะก็เพื่อให้เราตัดการอารมณ์ตัดความอยากมีแฟนอยากร่วมหลับนอนกับแฟนถ้ารู้ว่าแฟนเป็นผี ถ้ารู้ว่าแฟนเป็นโครงกระดูกเนี้ยนอนกอดโครงกระดูกกันเนี่ยไม่เห็นกอดลำไส้กอดตับไตไส้พุงเนี่ยตกอกอดสับกอดปัสสาวะอุจจาระเนี่ยมันอยู่ในนั้นหมดในร่างกายนี่รักกันโหวงกันก็รั ก, กอุจจาระปัสสาวะนี่แหละแต่มองไม่เห็นกันไม่ยอมมองกั น, นถ้าเห็นอาการสามสิบสองแล้วมันก็จะคลายความ กำหนดยินดีในร่างกายได้ต่อไปคําถามจากคุณต้นคุณค่ะตอนที่พระอาจารย์ปฏิบัติใหม่ๆพระอาจารย์แบ่งเวลาในการปฏิบัติหรือเปล่าครับเดินจงกรมกี่ชั่วโมงนั่งสมาธิกี่ชั่วโมงถามเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตามรอยพระอาจารย์ครับก็ไม่ได้กําหนดเวลาตายตัวแต่ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับก็คือสตินี่ จะมีตลอดเวลาจะใช้สติตลอดเวลาไม่ว่าจะทําอะไรก็ให้ใจเฝ้าดูการกระทําทุกเวลาพอทําหน้าที่ส่วนตัวเสร็จอาบน้ําอาบท่ากินข้าวเสร็จก็เดินจงกรมสลับกับนั่งสมาธิแล้วก็อ่านหนังสือธรรมสลับกันไปอย่างเนี้จนกว่าจะถึงเวลาหลับเวลานอนก็นอนเช้าก็ตื่นขึ้นมาก็เอามันใหม่แบบเนี้ย คำถามจากคุณนราค่ะตักบาตรเองกับอนุโมทนาบุญตักบาตรแตกต่างกันอย่างไรครับก็เหมือนกินข้าวเองกับอนุโมทนาการกินข้าวของคนอื่นเน่คนเห็นคนอื่นก็กินข้าวแล้วเราอนุโมทนากับการกินข้าวของคนอื่นแล้วอิ่มกับเขาอะเราก็เพียงแต่ดีใจที่เห็นเขาอิ่มนะแต่เราไม่ได้อิ่มกับเขาหรอกก็เหมือนกันเวลาตักบาตรเห็นคนอื่นก็ตักบาตรก็อนุโมทนา มันดีใจที่เห็นเขาได้ทําบุญเขามีความสุขใจแล้วก็ได้สุขกับเขาแต่สุขคนละแบบสุขที่เขาอิ่มแต่เราไม่ได้อิ่มกับเขาเราสุขที่เห็นเขาอิ่มเขา้าใจไหมอยังดีกว่าไปอิจฉาเขาเมึงอิ่มกูไม่ได้มึงทาบุญกูไม่ได้ทําบุญเออย่างนี้แทนที่จะมีความสุขกับการทําบุญของเขากลับไปทุกข์กับการทําบุญของเขาคําถามจากคุณสัมดาค่ะลูกท่องพุโทโธแล้วติด แต่ลูกเท่า อ, อิอออติปิโสได้ทั้งวันลูกท่องแทนพุทโธได้ไหมคะได้ได้ท่องอะไรก็ได้เพื่อไม่ให้ไปคิดถึงกระเป๋าลองเท้าเสื้อผ้า <c oughs> ที่เที่ยวต่างๆที่กินมันเดินมันเดินคำถ า, ามจากคุณเฉลยคะ่ะการที่เราอนุโมทนาบุญพิมพ์คำว่าสาธุเราได้บุญหรือเปล่าคะ ก็อย่างที่บอกเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราชื่นชมยินดีกับการทําบุญของคนอื่นเราก็ได้ความสุขอันนั้นถ้าเราไม่ชื่นชมยินดีอย่างวันก่อนเนี่ยไปบินธบอรเนี่ยเรามีเขาถ่ายทอดสดมีคนคอมเมนต์เข้ามาโอ้ยอาหารเยอะแยะมันจะกินกันหมดล้วว่าเนี่ยทําไมคนยากคนจนต้องเยอะแยะไม่เอาไปให้เขากินบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้บุญละมันไปคิดอคติแทนที่จะอนุโมทนากับบุญที่เขาทากลับไป อิจฉาลิสยาพระเห็นว่าพระมีข้าวกินมากเกินไปทำไมไม่เอาไปให้คนยากคนจนกินกามาเรื่องของศรัทธาใช่ไหมใครพระก็ไม่ได้บงังคับให้มโยมมาใส่บาตรทำไมโยมไม่ไปให้คนยากคนจนกินกันนะทําไมคนคอมเมนต์ทําไมไม่ไปให้คนยากคนจนกินนะ่ะใช่ไหมแทนที่จะได้บุญจากการดูเขาใส่บิณฑบาตบิณฑบาบการตัวเองกลับร้อนขึ้นมาในใจเพราะไม่อนุโมทนาบุญอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟัง ถึงต้องอนุโมทนาเวลาเห็นใครก็ทกาําความดีแล้วจะมีความสุขถ้าเราอนุโมทนาถ้าเราไม่เห็นด้วยเราไปอิจฉาหรือเสยียหรือไปคดัคดค้านนี่เราเลยทุกข์ไป ก, กับการทําบุญของคนอื่นพระพุทธเจ้าต้องการป้รองกันใจเราไม่ให้ไปทุกข์ไปเดือดร้อนกับ ก, บการทําความดีของคนอื่นด้วยความอิจฉาก็ดีด้วยความคิดที่แปลกประหลาดก็ดีต่า ง, างๆแบบนี้ ก้อนุโมทนาไปเห็นใครก็ทําบุญก้าอนุโมทนาไปเอ้โหเห็นคนใส่บาตรเยอะแย ะ, ยะต้องดีใจเออไม่ต้องกลัวหรอกอาหารเนี่ยมันก็ไปที่อื่นเองแหละคนยากคนจนแถววัดมีเยอะแยะไปเขาที่มารอสายวัดนมีมาพึ่งวัดมีเยอะแยะไปพระก็กินได้แค่ท้องเดียวที่เหลือก็ต้องให้หมาเหมือนก็ในมาสายวัดเยอะแยะไปหมดแต่คนมันคิดไม่เป็นอกเลยแทนที่จะมีความสุข ทุกกับการไปดูเขาใส่บาตกันคำ ถ, ถามจากคุณพินีค่ะหลังจากการปฏิบัติสมาธิควรแผ่บุญกุศลอย่างไรถึงจะถูกต้องและครบถ้วนคะ อ, อ๋อไม่ต้องแผ่แล้วมันแผ่ไม่ได้บุญกุศลมันของเราอย่างเดียวเมตาก็แผ่ไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้เวลาแผ่เวลาแผ่เมตาก็เวลาใส่บาตเนี่ยแผ่เมตตาถ้าอยากจะแผ่เมตตาพระก็ใส่บาตรกับพระ ถ้าอยากจะเมตตากับปลากับนกก็ไปปล่อยนกปล่อยปลาถ้าอยากจะเมตตากับหมาก็ไปเอ่อไปไปเลี้ยงหมาจรจัดหรืออะไรอยากจะเมตตากับวัวควายก็ไปปล่อยอวัวปล่อยควายมันเมตตาต้องทําในขณะที่มีคนรับความเมตตาจากเราไม่ใช่นั่งสมาธิเสร็จก็แผ่เมตตาให้สับประสาทไปเลยทาเนินสับประสาทที่ไหนมันมารับม้างใช่เหม ไม่ลงไปแผ่เมตตาที่เขาให้ส่วนนั้นไม่ได้เป็นการแผ่เขาสอนให้เขาสอนให้รู้จักวิธีแผ่ว่าต้องทำอย่างไรเอาเวลาโหนตุแล้ ว, ว่าอย่าไปเบียดเบีอย่าไปจองเวรจองกรรมกันใครก็พูดอะไรทำอะไรทำให้เราโกรธก็ให้อภัยกันอย่าไปตอบโต้เขาด่าเราเราก็ด่าเขากลับอย่างนี้แสดงถ้าอย่างนี้เรียกว่าไม่เมตตาไม่แผ่เมตตา ถ้าข้าด่าเรา ล, ล้าก็สาธุไปอย่างเงี้ยเรียกว่าแผ่เมตตานี่เวลาสวนนั้นเป็นการสอนใจเตือนใจหรือเป็นการใช้การท่องบทแผ่เมตตานี่เป็นวิธีทมสมาธิก็ได้แบบหนึ่งเช่นท่องไปสัปเเตสัตตาเวราหุนตุเหมือนกับที่คนนั้นบอกสวดอิติปิโสไปก็จะทำให้ใจสงบได้แต่ไม่ได้แผ่เมตตาให้กับใครใหว้เข้าใจไว้ ทุกคนีนเลือนนี้เข้าใจกันว่าสวดมนต์เสร็จไหว้พระเสร็จนั่งนั่งสวดสัพเพสตตาแสดงว่าแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์เจ้ากรรมนายเวรไม่ได้แผ่เป็นการท่องบทสวดเฉยๆเพื่อเป็นการศึกษาเป็นการเตือนใจสอนใจให้รู้จักวิธีแผ่เมตตาว่าแผ่อย่างไรอเวลาไม่จองเวอบบรอาบัญาปัญชาไม่เบียดเบียนอนิคา ให้เขาอยากให้คนอื่นเไ็ไม่ไม่มีทุกข์กายไม่มีความทุกข์ยากเดือดร้อนสุขีอัตนงอยากให้เขามีความสุขนี่คือความหมายของการสวนสัพเพสัตตาเป็นการศึกษาวิธีแผ่เวลาเราไปเจอคนเจอสัตว์จะได้แผ่ได้เวลาไปเจอคนเขาดา่าเราก็สาธุไปแล้วที่นั่งสมาธิได้แล้ว แผ่อะไรล่ะก็เวลานั่งสมาธิแบบได้สมาธิแล้วอะไรอย่างเงี้ยแถ่เมตตาให้คนตายให้ใครอะไรเงี้ยได้ก็บอกนี้ยนอกจากมันมาหาเราสิถ้ามันเข้ามาหาเราอย่างเทวดามห า, าพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็สอนธรรมะให้ธรรมทานอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นการให้เป็นการแผ่เมตตาให้ธรรมะแต่ถ้าเราติดต่อเขาไม่ได้เราจะไปแผ่ให้ใคร อยาคุณอยากจะโอนเงินมือถือเข้าวัดแต่ไม่รู้เบอร์ของวัดนี่แล้วคุณจะโอนเข้าไปได้ไหมโอนผ่านมือถือได้ป่ะก็ต้องไปขอบัญชีของทางวัดก่อนจะได้ติดต่อกันได้จะได้จะได้โอนเงินเข้าบัญชีของวัดได้ อ, อันนี้ก็เป็นการถ้าอยากจะแผ่ความเมตตาให้กับกายทิปทั้งหลายก็ต้องเขาก็ต้องมาติดต่อกับเราก่อนนั่งสมาธิแล้วจิตเราสามารถติดต่อกับเทวดาได้เทวดามาฟังขอฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ แสดงทำให้เขาฟังไปอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็แสดงทำให้กับเทวดาคําถามจากคุณออตตี้ค่ะ <c oughs> ในยะความหมายของบรมบสุขในจิตที่เข้าถึงจิตแท้ๆหรือธร ร, ธ ร, รมาธรรมาตุของจิตได้มันเหมือนกับอารมณ์ที่สัมผัสรู้ในจิตไหมครับมันเป็นอารมณ์ที่สัมผัสในจิตทั้งนั้นแนหะ แล้วอะไรคือบรลลุมสุขในจิตที่แท้จริงครับก็คือการสิ้นความอยากเนี่ยถ้าไม่มีความอยากในใจแล้วมันก็จะมีบรลลุมสุขขึ้นมาั้นลองกําจัดความอยากให้หมดไปจากใจดิวอยากกาแฟก็ไม่ดื่มอยากเหล้าก็ไม่ดื่มออยากเที่ยวก็ไม่เที่ยวอยากมีแฟนก็ไม่มีเนถ้อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่มันก็จะเจอบรลลุมสุขขึ้นมาคำถามจากคุณธัญพรค่ะ ระหว่างกำลังถวายของพระแต่มือดันไปโดนพระโดยไม่ตั้งใจจะบาปไหมคะไม่บาปแล้วคำถามจากคุณสุภชัยค่ะถ้าหนีครอบครัวไปบวชผิดไหมครับไม่ผิดแล้วผิดตรงไหนพระพุทธเจา้าวันนี้ถ้าไม่หนีจะมีพระพุทธเจ้ามาปรงกฏดให้พวกเรากราบไหว้บูชาเลย อะไรวะคิดแค่นี้คิดไม่ออกว่าจะหนีเที่ยวมันไม่คิดไม่มาถามเลยหนีเที่ยวห น, นี้ครอบคัวไปเที่ยวบาหรุเปล่าบาปเนี่ยบาปแต่นี้ไปบวชไม่บาปหรอกหนีไปบวชหนี้ไปทําความดีจะไปบาปเลยคําถามจากคุณธันรบค่ะ <c oughs> ขอสอบถามวิธีทําให้ใจเย็นไม่โกรธได้ครับฝึกสติไปเรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆ เวลาโกรธก็ใช้พุโทโธหยุดมั น, นแล้วก็พยายามละความโลภความอยากให้น้อยลงเพราะความโลภความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความโกรธพออยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธถ้าไม่อยากก็ยังไม่โกรธแล้วพยายามทำใจให้ยินดีตามมีตามเกิดสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วเขเอาข้าผัดมาให้ก็ยินดีถ้ายินดีก็ไม่โกรธแต่ถ้า ต, ต้องการจะกินก๋วยเตี๋ยวมันดันแล้วก็ผัดมาให้ มมนกก็จะขึ้าคำถามจากคุณจุธามาดค่ะการที่ทำหนังสือสวดวนแจกเพราะเห็นคนทำแจกกันเยอะบางคนทำเพื่อแก้บนจะได้อานิสงส์บุญหรือได้แค่ความสบายใจคะก็เป็นธรรมทานอย่างหนึ่งเพราะบทสวดวนก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นภาษาบาลีก็คนที่เอาไปสวดเขาก็จะได้สมาธิได้ความสงบ ถ้าเขาเข้าใจเขาก็จะได้ปัญญาเรนก็เรียกว่าเป็นการให้ธรรมทานที่ชนะการให้ทั้งปวงให้ธรรมะดีกว่าให้เงินทองเพราะเงินทองนี่จะไปบรรเทาความทุกข์ทางร่างกายแต่ธรรมะนี่จะไปบรรเทาความทุกข์ทางใจที่มันหนักกว่าความทุกข์ทางร่างกายคําถามจากคุณนันทนาค่ะพระแสดงธรรมโดยไม่ห่มจีวรเหมาะสมแล้วทําได้ไหมคะ แล้วแต่โอกาสนะบางเวลาพอดีคนมาถามธรรมะไม่ได้หอมจีวรมองเดี๋ยวรอขอไปหอมจีวรก่อนรึเปล่ก็แล้วแต่แล้วแต่โอกาสถ้าเป็นปกติก็ควรจะแต่งกายให้เรียบร้อยอยู่ในที่สาธารนณะแต่บางทีกําลังกวาดอยู่ญาติโยมมาจากไหนเมื่รู้มาขอถามทางว่าไปที่นั่นไปที่นี่จะไปบวชภาพไปติดต่อใครบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปใส่จีวรก่อน ไม่ได้หรอกมันก็แล้วแต่กาลเทศะแล้วแต่โอกาสนะครับ <c oughs> คำถามจากคุณจุธามาค่ะถ้าอยากทําบุญให้เจ้ากรรมนายเวรต้องทําอย่างไรพวกเขาถึงจะได้รับคะก็ไปกราบตีนเขาไงใครที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเราก็ไปกราบเท้าขอขามาเอาเข้าวของเงินทองไปให้เขาเยอะๆเดี๋ยวเขาก็ให้อาภัยเราเอง คนที่เขาเสียหายถ้าเราชดเชยค่าเสียหายให้กับเขาพอเพียงเขาก็เลิกมาจองเวรจองกรรมเราใช่ไห ม, มไปเอาผัวเขาก็เอาผัวไปคืนเขาเอาเมีอาก็เอาเมียไปคืนเขาเขาก็จะให้อภัยไม่ใช่ไปไปกราบเฉยๆหรือแต่ผัวเขายังเกลียดแม่เมียเขายังเกลียดแม่ยศเขาก็ไม่ยอมให้อาภัยหรอกคําถามจากคุณจําใจค่ะ การวางอาหารบนฝาบาทไม่ได้ใส่ลงไปในบัตรพระเป็นการตักบาทเหมือนใส่ในบาทไหมคะไม่รู้เหมือนกันนะเราไปไปคิดเอาเองก็แล้วกันพวกรู้มากเก่งมากเกินไม่รู้จะตอบอยังไงดีอันนี้เป็นคอมเมนต์ว่างการัก็อ่านแนะล้วต้องตอบอตรู้รู้มากาาคุณไปคิดเอาเองก็แล้วกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นการใส่บาตหรือเปล่า เออมันบ้าหรือเปล่าเขาก็ให้แล้วที่จะรับแบบไหนก็ได้รับกับมือรับกับฝาบาทรับกับบาทมันก็รับเหมือนกันนะอนี่มันยาวคาว่าบาทบินทบาทมันต้องใส่บาทถ้าใส่ฟ้าบาทเรียกว่าไม่บินทบาทแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นนั่งฟังไอ้เก่งแบบ ท, ที่ไม่น่านจะเก่งไอ้เรื่องที่น่านจะเก่งก็ไม่เก่งทํำไมไม่ไปใส่บาทถ้เองเนะ คำถามจากคุณพีโกนค่ะถ้าส่งจิตนึกถึงผู้ตายหรือผู้มีกายทิศแล้วส่งบุญให้เรียกว่าแผ่เมตตาหรือหรืออุทิศบุญครับแผ่ไม่ได้หรอกพ่อะยังไม่ได้ติดต่อเขาแม้แต่อุทิศบุญก็อุทิศไม่ได้ถ้าเขาไม่มารอรับแต่เราก็ทำเผื่อไว้อย่างนั้นเองเพราะเราไม่เราไม่มีความสามารถจะติดต่อเขาได้อยู่แล้วเราจึงไม่รู้ว่าเขามารอรับหรือไม่รอรับ เราก็เลยอุทิศไปอย่างนั้นเผื่อเขาอยู่มารอรับเขาก็จะได้รับถ้าเขาไม่รอรับก็ดวงวิญญาณดวงอื่นถ้าเขารอรับก็เขาให้เขาไปแทนแต่ถ้าเราสามารถติดต่อเขาได้เราก็จะรู้ว่าเขามาขอรับหรือเปล่างดวงวิญญาณดวงอื่วิญญาณเขารวยเขาก็ไม่ต้องมารอรับก็ได้เขเป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยเขามีบุญมากกว่าเราเขาก็ไม่ต้องมารอรับบุญที่เราส่งไปแล้วเราถ้าเราติดต่อไม่ได้เราก็อุทิศไปอย่างนั้น แผ่ไปอย่างงั้นแต่ไม่รู้มีคนรับรู้เปล่าก็ไม่รู้ถึงบอกว่ามันมันมันไม่ใช่วิธีแผ่เมตตาที่แท้จริงวิธีแผ่เมตตาต้องมาเจอกันเนี่ยเจอใครก็แผ่ไปเลยมีขนมก็แจกเลยอคําถามจากคุณพิทยาค่ะการดูลมหายใจถือว่าเป็นการเห็นกายในกายตามหลักสติปัฏฐานหรือเปล่าครับ ได้ก็ลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของกายของร่างกายการดูลมหายใจก็เป็นการเจริญสติเรียกว่าอาณาปณะสติอาณาปณะแปลว่าลมเข้าลมออกให้มีสติอยู่กับลมเข้าลมออกก็จะอยู่ในส่วนหนึ่งของกายกตาสติคำถามจากคุณลัตนาค่ะทำอย่างไรให้สงบ เมื่อสามีขับรถไปบ่นไปด่าไปคะพูดโทรไปสิเขาด่าไปบ่นไปแล้วก็พูดโทรไปต่างคนต่างทําเรื่องของตอนเองไปเขาอยากจะบน่นเ้าบน่นแล้วมีความสุขก็ปล่อยเขาบ่นไปเราพูดโทรแล้วเรามีความสุขเราก็พูดโทรไปไม่ต้องไปฟังเขาบน่นไม่ต้องไปฟังเขาดาข่าคําถามจากคุณจากรวาลาค่ะเวลาเราเห็นคนทําบุญตักบาตรแล้วเรารู้สึกปลื้มใจไปกับเขา แต่เราไม่ได้กล่าวอนุโมทนากับเขารู้สึกแบบนี้เป็นบุญไหมขอรับเป็นแล้วไงก็ความปลื้มใจเนี่ยก็เป็นบุญแล้วปลื้มใจสุขใจก็เป็นบุญไม่ใช่อีกคนหนึ่งที่เห็นว่าเอ้ยไม่ได้ใส่บาตรนี้ก็ไม่ได้ปลื้มใจไม่ได้ไปเพราะไม่ได้เอาข้าวไปใสไ่ไว้ในบาตรก็เราไม่ได้ปลื้มใจไปกับเขา ก, กับมุกกับในความหงุดหงิดลำคาญใจขึ้นมาก็เลยไม่ได้บุญจากการที่ไปเห็นเขาใส่บาตรกัน คำถามจากคุณจารุพัฒน์ค่ะเมื่อก่อนผมชอบเที่ยวกลางคืนและต่างประเทศอยู่ดีๆเกิดรู้สึกเบื่อหน่ายและมีความสุขที่ได้ฟังธรรมจะมีวิธีปฏิเสธเพื่อนอย่างไรครับหรือบอกไปเลยตรงๆว่าตอนนี้เรามีความสุขกับการได้ฟังธรรมครับก็ได้ก็บอกตามความนจริงไปไเหมนจะเสียหายตรงไหนไมหมดแล้วเลยค่ะคำถามจาก คุณมนุษย์คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติค่ะคระบพุทธเจ้าตรงตัดเรื่องอาหารไว้อย่างไรบ้างครับอาหารก็ให้รับประทานพอต่อความต้องการของร่างกายก็เรียให้กินเพื่ออยู่อย่าไปอยู่เพื่อกินถ้าอยู่เพื่อกินมันก็กลายเป็นตุ่ม <c oughs> ถ้ากินเพื่ออยู่มันก็จะเป็นเป็นทรวทรงที่พ่อแม่ให้มาออกมาอย่างไรมันก็ มันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ากินอยู่เพื่อกินมันก็จะกลายเป็นตุ่มไปเดี๋ยวนี้เขาเพิ่งมีการวิจัยว่าหนึ่งในสามของคน ล, ล้มล้อนคนเมืองโลกนี้เริ่มกลายเป็นตุ่มแนละ้วเพราะสมัยนี้อาหารการกินมันสะดวกรวดเร็วหาง่ายกินง่ายมันก็เลยกลายเป็นตุ่มสมัยก่อนเราเป็นเด็กเด็ดนี่คนอ้วนนี่เป็นของแปลกนะเดี๋ยวนี้กลับกลายเป็นของปกติแล้ว เพราะสมัยนี้อาหารการกินมันเยอะทำไมเด็กๆนี่เราเป็นเด็กนี่อาหารการกินไม่เคยมีขนมขน ม, ขนมไม่มีมันอย่างที่มีอย่างสมัยนี้คําถามจากคุณนภพัฒนค่ะวิ้งขอโทษค่ะคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะดิฉันเคยนั่งสมาธิบริกรรมพุโทโธนั่งจนกายหายไปเสียงลมหายใจแผ่วจนละเอียดมากจนในที่สุดมันหายไปอยู่ในความสงบ แต่ก็เพียงแค่แป๊บเดียวดิฉันดึงตัวเองกลับมาและหลังจากนั้นก็รู้สึกมีความสุขสงบนิสัยตัวเองก็เปลี่ยนไปแต่ก็ยังงงๆเหมือนกันว่าทำไมถึงกกลและลมหายใจหายไปขอถามพระอาจารย์ว่าดั่งได้แบบนี้มาถูกทางหรือแล้วหรื อ, อยังเจ้าคะก็ถูกแล้วแหละพราเวลาใจสงบนิจใจถอนออกจากร่างกายถอนกระแสะความรับรู้ออกจากร่างกาย ก็เลยไม่รับรู้เรื่องร่างกายรับรู้เรื่องเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เข้ามาทางร่างกายในวิธีเวลานั่งสมาธิเรากำลังแยกใจออกจากร่างกายพอใจสงบร่างกายก็เลยหายไปจากความรู้สึกของใจไม่ไม่ผิดปกติ่ะถูกไ้มคำถามจากคุณปลายฟ้าค่ะเวลาเราทำทานทำบุญกุศลใดๆ พ่อแม่เราจะได้รับบุญที่เราทำโดยตรงไหมคะ<ถ>หรือเราต้องบอกท่านให้อานุโมธนาเหมือนกันคะ่ะคือหนึ่งถ้าเป็นเงินของพ่อแม่ให้เรามาแต่อยู่ที่ว่าเขาให้มาแบบไหนถ้าเขาให้มาเพื่อเราไปทำบุญก็พ่อแม่เขาก็ได้บุญเราไม่ได้บุญเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเงินของเราแต่ถ้าเป็นเงินที่พ่อแม่เขาให้เรามาใช้อะไรต่างๆแล้วแต่เราจะใช้ แล้วเราไปทำบุญนี้พ่อแม่ก็ไม่ได้บุญเราได้บุญเงนั้นบุญนี่เกิดจากการมีความตั้งใจจะทำสองต้องเป็นเงินของเราเราถึงจะคนคนที่เป็นเจ้าของเงินแล้วมีความตั้งใจคนนั้นก็จะได้บุญไปถึงแม้จะไม่ได้ทำเองเช่นฝากให้คนอื่นไปทำเขาก็ยังได้บุญอยู่ นนก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเงินที่พ่อแม่ที่เงินเราเรามีอยู่นี่เป็นเงินของใครเป็นเงินของพ่อแม่ให้เรามาเจาะจงให้ไปทําบุญหรือเปล่าถ้าแมา่พ่อแม่อยากจะสอนให้เราทําบุญกลัวเรามาทําบุญไม่เป็นก็เลยบอกลูกเอาเงินนี้ไปทําบุญให้หน่อยสิอันนี้ก็ยังเป็นบุญของพ่อแม่อยู่เองแต่ว่าพ่อแม่จะได้ใช้เป็นอุบายสอนให้เรารู้จักทําบุญ แต่ต่อไปถ้าเรามีเงินของเราเองหาเงินมาได้เองหรือคนให้เงินเรามาเป็นของเราให้เอาไปใช้อะไรก็ได้แล้วเราเอาไปทำบุญเราก็จะได้บุญคนที่ให้เงินเรามาก็ไม่ได้บุญเขาได้แล้วจากการที่เขาให้เงินเรามาคำถามจากคุณจิตราพรค่ะหากเราไม่มีเวลาเราสวดมนต์ในใจขณะทำงาน แทนการนั่งสวดมนต์ต่อหน้าพระพุทธรูปได้ไหมคะได้จ้ะอย่าให้มันเสียงานก็แล้วกันเดี๋ยวนั่งสวดมนต์ใบงานที่ทำเลยเละเทะไปคิดบัญชีผิดมันก็ต้องรู้จาักกาลเทศะถ้าเวลาว่างที่ทำงานไม่ต้องทำอะไรนั่งเฉยๆนั่งรอโทรศัพท์หรือนั่งรออะไรตอนนั้นก็จะสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้ คำถามจากคุณนันทนาค่ะอยากทราบคำแปลที่พระอาจารย์ให้พรค่ะเอาสรุปสั้นๆก็ได้เจ้าค่ะลองไปอ่านใน g ู o g l e ดีป่ะง่ายดีเขียนยาถาสัพพีเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาเองอยะถาสัพพีคำแปลเขียนแค่ น, นี้มันก็โผล่ขึ้นมาคำถามจากมนุษย์จากคุณมนุษย์คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติค่ะการปลูกต้นไม้ ได้บุญอย่างไรบ้างและพระพุทธเจ้าทรงตัดเกี่ยวกับต้นไม้ไว้อย่างไรบ้างครับปลูกต้นไม้นี่มันก็จะว่าได้บุญก็ได้แต่ต้องไปปลูกที่ทําให้ผู้มีผู้รับบุญรับประโยชน์เช่นไปปลูกต้นไม้ให้กับวัดเนี่ยวัดก็ได้ประโยชน์ก็เหมือนกับการไปทํางานให้กับวัดนี้มันก็มันก็ได้บุญแต่ถ้าเราไปปลูกต้นไม้ที่บ้านเราเนี่ยเราไม่ได้บุญ เราปลูกให้กับเราเองทําอะไรที่เกิดประโยชน์กับตัวเราเนี่ไม่เรียกว่าบุญเช่นกินข้าวนี่เราก็ไม่ได้บุญจากการกินข้าวแต่ถ้าเอาข้าวที่เราจะกินนี้ไปให้ขอทานเนี่ยเราจะได้บุญเพราเกิดการเสียสละฉั้นต้องดูว่าการกระทําของเรามันเป็นการเสียสละหรือไม่ถ้าเป็นการเสียสละเพื่อให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการกระทําของเราเนี่ก็เรียกว่าบุญ การปลูกต้นไม้นี่มันอาจจะได้บุญก็ได้อาจจะไม่ได้บุญก็ได้ถ้าเราปลูกให้ให้บ้านเราให้ของเป็นของเรามันก็ไม่ได้บุญแต่ถ้าไปปลูกให้วัดหรือปลูกให้กับโรงเรียนหรือปลูกให้กับสถานที่ราชการหรือรือของหลวงของอะไรนี่ไปช่วยกันปลูกป่าอย่างนี้ก็ได้บุญเพราะเราทําประโยชน์เราเสียสละให้แก่ผู้อื่นคำถามจากคุณชนะตนค่ะการที่เรามีศีล ทั้งคนดีและไม่ดีจะชอบเข้ามาหาเพราะเห็นว่าเราไม่มีพิษภัยเราก็เมตตาคุยได้ทุกคนแต่เราควรวางตัวอย่างไรกับคนทานที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากเราเพื่อไม่ให้เขาล้าเส้นเกินไปค ะ, ะเราก็ต้องมีมีเกราะคุมของคือรู้ว่าควรที่จะให้เขาเข้ามาใกล้มากแค่ไหนถ้าเข้ามาใกล้มากแล้วเป็นอันตรายกับเราเราก็ต้อง แล้วก็ต้องดันเขาออกไปคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะนั่งสมาธิแล้วลมหายใจกับกายหายไปแล้วทีนี้เราต้องดูอะไรคะเพราะมันเคว้งคว้างเวลาไปถึงสภาวะนี้แล้วไม่มีอะไรให้เกาะมันก็เกิดความคิดขึ้นมาก็เลยหลุดออกจากสภาวะนั้นตลอดเลยค่ะอืมก็ดูความว่างเลยดูเฉยๆให้รู้เฉยๆอย่าไป เคว้งคว้างอย่าไปลิ้นหาอะไรที่มันเคว้งคว้างเพระเราไปลิ้นหาอะไรเกาะให้เกาะ อ, อยู่กับความว่างให้เกาะ อ, อยู่กับความรู้ให้รู้เฉยๆถ้าไม่ได้ก็ก็ก็ลองพุโทโธดูเอาหาเอาพุโทโธขึ้นมาเกาะต่ออืพุโทโธพุโทโธไปแล้วเกาะกับพุโทโธไปจนกว่าจะตกหลุมตกบ่อไป คำถามจากคุณชานุมาตรค่ะมีหนูมาออกลูกห้าตัวอยู่ในห้องนอนอยากเอาออกไปจากห้องมากถ้าเอาออกไปมันจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกก็ไปหาที่มันปลอดภัยให้มันอยู่ได้ปลอดภัยไปปล่อยมันที่ไหนก็ได้คำถามจากคุณดวนดวนอันนงค่ะตอนนี้พอนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเฉยเฉยเมื่อปวดตัว บางบางครั้งมีความอยากให้ปวดตัวเพราะจะได้ฝึกสู้กับความปวดตัวความอยากอันนี้เป็นกิเลสไหมครับไม่หรอกเพราะเราอยากจะทําข้อสอบไงแต่ก็ไม่ควรอยากก็พลังไปเรื่อยๆเดี๋ยวเกิดมันไม่ปวดก็จะทุกข์ขึ้นมาได้แต่ความอยากที่จะทําข้อสอบนี้ก็ไม่ไม่ไม่ไม่เป็นกิเลสหรอกเพียงแต่ว่าต้องใจเย็นๆถ้ามันยังไม่ปวดก็อย่าอย่าพึ่งไปอยากให้มันปวดเพราะมันจะทําให้เกิด ความทุกข์ใจขึ้นมาได้ถ้ามันไม่ปวดก็นั่งไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็มันเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้ว่ามันปวดเองแหละคําถามจากคุณสุมาศค่ะวิธีควบคุมความโลภโกรธหลงจะทําอย่างไรครับก็ทําด้วยสตินี่แหละหยุดมันเวลาโลภ ก, ก็พุโทโธพุโทโธไปเวลาโกรธก็พุโทโธพุโทโธไปอันนี้ก็จะหยุดมันได้ชั่วคราวถ้าอยากจะหยุดมันอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญา สอนใจให้รู้ว่าสิ่งที่เราโลภมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขถ้าโวมเป็นทุกข์เราจะได้ไม่ไม่โลภเมื่อเราไม่โลภเราก็จะไม่โกรธคำถามจากคุณชนะตนค่ะการนำต้นไม้จากที่สาธารณะมาปลูกถือว่ารักทรัพย์ไหมคะยมเข้าใจว่ายังไงก็เป็นของหลวงอยู่ดีค่ะถต่เราเขาจว่ามีเจ้าของเราก็ต้องไปขออนุญาตจากเจ้าของขก่อน ลองถามหมดค่ะอ่าหมดแล้วนะวันนี้คำถามเยอะนะมีใครอยากจะถามยังไมไม่มีก็นั่งรอเดี๋ยวก็ได้นั่งรอคาถามเวลาที่นั่สมาธิย่าบางทีมันไหวไม่ไหวด้วยเนื้อทนาที่มันเกิดขึ้นเ่ยก็เลยสวดมนต์แทนอ่ได้ก็ดีได้ก็คือว่าเอาบางบทสวดมนต์ที่เรา ได้แล้วมันก็นั่งต่อได้มันก็ผ่านความเจ็บได้ อ, อ, อ่มันลืะตั้งไว้ว่ า, าจะต้องสวดให้ได้ยปจบตออยดมันก็ลม<ช>แต่าพอมันนั่งสมาธิเนี่ยพอมันรู้สึกว่ามันปวดเนี่ยมันจับลมหายใจไม่ได้ก็ต้องต้องสวดต้องสวดไปแต่อย่าแต่อย่าไปแต่อย่าไปขยับน่างกายนะคือ คือปล่อยให้มันเจ็บไปปวดไปแต่เราเปลี่ยนจากการดูโรมมาสวดแทนพอเราสวด่ขยับเลยหรอไม่ขยั บ, ยบถ้าไม่ขยับได้ก็ดีเพราะว่าเราจะได้อยู่กับเราจะได้รู้จักวิธีสู้กับความปวดได้ด้วยการสวดมนต์ถ้าเราไม่ขยับแล้วเราสวดไปได้เดี๋ยวความปวดนั้นจะไม่มาบรบกวนใจเรอมาแย้งคำถามมาแล้วอ่ ะ, <มา S 1> อะ มาแค่คำถาเดียวเองค่ะก็ถามมาสิถามมายอมเอาเงินใส่มือหมาตัวที่ตายไปบอกเขาว่ า, <c oughs> อ, าอ่านไม่ได้ <c oughs> บอกเขาว่าแม่ให้เงินหนูนะแล้วให้แล้วให้หนูใส่บาทยกสองมือจบแล้วเอาไปใส่ในบาท อ, อ, ยอย่างนี้หมาจะได้บุญไหมเจ้าคะไม่ได้หรอกมามันไม่รู้เรื่องได้หนึ่งเงินก็ไม่ใช่ของมันถึงแม้ถ้ามันรู้เรื่องมันก็มันก็มันก็ไม่ได้บุญเพราบุญมันต้องเกิดจากการเสียสละของของเราให้แก่ขผู้อื่นการเวลาคนหรือหมาตายเวลามันทําบุญต่อไปไม่ได้ลนะ หลวงตามหาบุรุษท่านก็เคยบอกว่าเวลาท่านตายอยาไปนิมนต์พระมาสวดกุศลาให้เราเนะีเพราะว่าคนตายทําอะไรไม่ได้แล้วที่ก็มาสวดมาทําบุญนี้ให้คนเป็นให้คนเป็นได้มีโอกาสทําบุญเพราะว่าถ้าไม่มีคนตายก็ยังไม่มีใครมาทําบุญกันก็เลยอาศัยคนตายนี้เป็นเหตุที่ทําให้คนเป็นได้มีโอกาสมาทําบุญกัน คำถามจากคุณรัตยากรค่ะมีท่านหนึ่งถือศีลภาวนาไมา่ผิตกว่าปีมีพุทธโทธติดกับจิตมาวันหนึ่งผิดศีลข้อสามและสำนึกเขามีโอกาสจะเดินในธรรมอีกไหมคะมีมันก็ผิดได้เดี๋ยวมันก็ใช้บาปหมดมันก็มันก็ไปได้มันก็เป็นเป็นเหมือนขับรถแล้วถูกตำรวจจับก็บอกว่าขับรถเกินความเร็วเขาก็ ให้ตั๋วเรามาเราก็ไปจ่ายค่าตัวแล้วขับรถต่อไปได้แล้วก็ยังปฏิบัติทําอะไรได้ ท, ทําบาปทําผิดพลาดก็วิธีหนึ่งที่ ก, ก็คือที่จะทําให้มันเกิดขึ้นก็เอามาเตือนใจว่าเนี่ย เ, เราสติไม่ดีนะต้องระวังให้มากขึ้นอย่าทําอีกคล้ามันเตือนใจสอนใจคําถามจากคุณชนะตนค่ะอะไรที่เราไม่แน่ใจว่าผิดศีลหรือไม่ ก็จะไม่ทำเลยถูกต้องไหมคะคือสงสัยว่ามันไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือผิดแล้วทำไปก็ถือว่าผิดแั้ถ้าสงสัยไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือผิดก็อย่าไปทำมันคาถามจากคุณพอลพัทค่ะถ้านั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าเหมือนจมน้ำหายใจไม่ออกหัวใจเต้นแรงแบบนี้จะต้องแก้ไขอ ย, อย่างไรเจ้าคะก็อย่าไปสนใจอย่าไปสนใจก็พุโทโธพุโทโธไป ดูลมไปนั่งสมาธินี่ต้องมีอะไรกับกับใจมีพุทโธกับกับใจมีการดูลมกลับกับใจแล้วเวลาอะไรเกิดขึ้นมาก็อย่าไปสนใจมันมันเป็นอาการหลอกอาการลวงกิเลสมันชอบหลอกให้เราไม่พุทโธชอบหลอกให้เราไม่ดูลมมันไม่ต้องการความสงบกิเลสมันต้องการที่จะทำงานกิเลสมันเที่ยวมันเล่นได้เพราะใจไม่ไม่สงบ ถ้าใจสงบแล้วกิเลสมันเที่ยวเล่นไม่ได้มันก็เลยต้องหาอุบายวิธีมาหลอกเราไม่ให้เราทําใจให้สงบคําถามจากคุณเรนนี่ค่ะมีแมวเข้ามาอยู่ในบริเวณบ้านเราไม่ชอบสัตว์เลี้ยงอยากจะให้มันออกไปจากบ้านถือว่าเป็นความผิดที่บาปไหมคะไม่บาปหรอกเพียงแต่ไม่มีความเมตามตาเนี่ยแผ่เมตตาเนี่ยต้องแผ่แบบเนี้ยแมวมาขอพึ่งเราก็ แผ่เมตตาก็เลี้ยงมันไปอย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาถ้าไม่จํามันไปปล่อยที่อืนก็แสดงว่าไม่ได้แผ่เมตตาไม่อแต่ไปแผ่ตอนที่ไปสวนมนต์ตอนนั้นไม่ได้แผ่พอแมวมาขอที่อยู่อาศัยกลับไม่แผ่กลับไปปล่อยที่วัดเอยเวตอนนี้มีข่าววัดกระโดนด่ายนะเพราะวัดไปเขียนป้ายว่าขอความกรุณาอย่าเอาหมาเอาแมว ม, มาปล่อยก็เลยหาว่าวัดไม่เมตตานะ ที่วัดมันเลี้ยงหมาเลงแล้วไม่ไหวอะ่ะแต่ว่ายาเ น, นี่ยโอ้โหมาปล่อยอยู่เรื่อยต้องจับไปมีคนที่ก็เมตตาเขามีที่เลี้ยงหมาก็ารับหมาพอมีหมามากๆ ก, ก, ก็จับไปแล้วก็ไปไปส่งให้เขาทีเมื่อก่อนทางวัดก็ทำคล้องเลี้ยงหมาไว้แต่ที่นี้ไม่ได้ดูอย่างใกล้ชิดเวลามันเกิดโรคระบาดมันตายกันหมดเลยก็เลยตอนหลังก็เลยไม่ได้ ไม่ได้เลี้ยงมันแล้วพอมันอยู่ในวัดเดี๋ยวคนมาเที่ยวบางทีก็โดนเขากัดโดนหมากัดขึ้นมานี่พอพระพอพระไปติดป้ายว่าขออนุมโมทนาที่ไม่เอาหมาเอาแมวมาปล่อยก็เลยโดนดา่าหาววัดไม่เมตตาโอ้ยทําทําอะไรก็ผิดไปหมดนะวัดสมัยถ้าทําไม่ถูกใจโยมมันผิดหมดลนะ คุณอ้อค่ะถ้าลูกพยายามให้พ่อกับแม่ฟังธรรมะจะบาปไหมคะไม่บาปหรอกดีสิถ้าถ้าทำได้คำถามจากคุณพันรกค่ะอาชีพที่ต้องผิดศีลมีทางแก้อย่างไรครับถ้า<ข>เป็นเกษต ร, รกรก็อย่าทำเลยเปลี่ยนอาชีพคำถามจากคุณสิริเพนค่ะ การบ่นแล้วแก้บ่นถูกตามหลักพระพุทธศาสนาหรือไม่เจ้าคะไม่ถูกหลักศาสนานี่ไม่สอนให้บน่นสอนให้ทำอยากจะได้อลไรต้องทำํำทํ า, าแล้วก็ ไ, ได้บ่นก็ไม่ได้ถ้าบ่นขอไปนิพพานบ่นไปเมื่อไหร่จะได้เลยที <c oughs> <c oughs> อ่ถามมาคาถามจากคุณณพลค่ะเวลาที่อ่านหนังสือวัดปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ แล้วปฏิบัติตามไปด้วยเช่นนี้ได้ไหมครับได้ก็เป็นการเดินเดินตามรอยของท่านถ้าเดินตามไปเดี๋ยวว่าถึงจุดหมายปลายทางที่ท่านไปถึงเนี่ยถ้าท่านไปถึงนีพผานเราก็ไปถึงนีพผานตามท่านนะคถามจากคุณภาทิรุธค่ะขณะนั่งขณะนั่งจะสมาธิ จะพิจารณาทิศโดยที่ใจยังไม่ได้ความสงบในสมาธิได้ไหมครับอย่างนั้นไม่เรียกว่านั่งสมาธิเรียกว่านั่งวิปัสสนาถ้านั่งพิจารณานี้เรียกว่านั่งวิปัสสนาถ้านั่งสมาธินี่ไม่คิดไม่พิจารณาพุโทโธอย่างเดียวดูลมอย่างเดียวมันนั่งพลแบบนั่งให้สงบหรือนั่งให้เกิดปัญญาถ้านั่งให้เกิดปัญญาก็ต้องพิจารณาเช่นเวลาร่างกายเจ็บแล้วก็พิจารณาว่า ความเจ็บนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานั้นต้องปล่อยให้มันเจ็บไปไม่ต้องไปขยับร่างกายพอปล่อยได้ใจก็สงบ ก, ก็จ ะ, ะได้ปัญญาได้ดับความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บของร่างกายได้นี่เรียกว่าวิปัสสนาไม่ใช่สมาธิคำถามจากคุณไปฟ้าค่ะ การช่วยซื้อของยายพายเรืออาหารใส่บาตแล้วฝากยายใส่บาตรหลวงพ่อด้วยอย่างนี้เข้าขายทําทานด้วยไหมเจ้าคะยายแกชื่นใจเวลาซื้อของบางทีก็แถมให้ด้วยค่ะช่วยยายขายของหรอะไรไซื้อแล้ว<อ>ให้ยายใส่บาตรายเรือขายอา๋อซื้อของมาแล้วให้ยายเอาไปใส่บาตรให้อของยายอะค่ะแล้วให้ยายใส่บาตรยายไม่ได้บุญจากการใส่อต่จากการ ซื้อของอันนั้นแต่ยายก็ได้ส่วนร่วมด้วยช่วยใส่บาทให้เหมือนกับยายรับใช้เราช่วยเราอีกทีหนึ่งได้บุญส่วนนั้นได้บุญที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นแต่บุญที่เกิดจากการให้การเสียสละนี่ยายไม่ได้เพราะมันเป็นของเราไม่ใช่เป็นของยายถ้ายายอยากจะได้บุญจากการเสียสละยายก็ต้องเอาของยายใส่ไปด้วยคาถามจากคุณเจ้าฮะค่ะเคยสังเกตว่า นั่งสมาธิตอนเช้าหลังจากตื่นนอนโดยที่ยังไม่ได้ทำวัดเช้าจะนั่งได้นานและสงบกว่านั่งสมาธิตอนก่อนนอนทั้งๆ ท, ท, ที่ก่อนนั่งสมาธิได้สวดมนต์ทวัดเย็นไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดครับเพราะว่าตอนตอนเย็นนี่มันเป็นเวลาที่เรากลับจากการทำงานกลับจากเรื่องราวต่างๆมันยังมีข้างๆอยู่ในใจมันเลยทำให้การนั่งสมาธิยากเพราะมันมีเรื่องยัง เก็บตกอยู่แต่พอเรานอนหลับพักผ่อนตื่นขึ้นมาเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้มันก็จางหายไปหมดใจก็ว่างนั่งสมาธิตอนเช้าหลังจากตื่นนอนมันจึงสงบง่ายกว่าคำถามจากคุณพีโกนค่ะถ้าผมพูดว่าให้หมดมาแลงสาบอยู่ที่อื่นที่นี่ไม่เหมาะสมให้อยู่อาศัยอย่างนี้ใช่แผนเมตตาไหมครับอันนี้เป็นความไม่แผ่เมตตา เาไม่ต้องการให้เขาอยู่กับเราเราเรียกว่าแผ่เมตตาได้ไงถ้าแผ่เมตตาก็ต้องเชิญอยู่นะเราอยากจะอยู่นี่ก็เชิญอยู่คำถามจากคุณลาลัตนาเวศค่ะถ้าแม่เราไว้ใจคนผิดแต่เราพยายามเตือนท่านแต่ท่านมองเราว่าเราเป็นคนไม่ดีเราจะทาเช่นไดดีครับก็หยุดแต่ดิ เมื่อเขาไม่เชื่อแล้วเราก็ต้องหยุดท่านคำถามจากคุณอภัสราค่ะขอกราบเรียนให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องของธานะปารมีศีลปาลมีเนฆัมมะปารมีและปัญญาปารมีเจ้าค่ะอ่าก็เอาไปเปิดดูใน Google บ้างหรือไปฟังเทศเก่าๆบ้าง ทานบาลมีศีลบาลมีออะไรนิคัมมะบาลมีปัญญาบาลมีอามพูดสั้นๆทานบาลมีก็คือการทําทานอยู่เรื่อยๆต่อไปมันก็จะเป็นบานลมีขึ้นมาเป็นนิสัยขึ้นมาศีลรักษาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเป็นบาลมีขึ้นมานาิคัมมาบาลามีก็ไปรักษาศีลแปดอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปมันก็จะเป็นบาลมีขึ้นมาบาลมีก็คือนิสัยนี่แหละ ปัญญาก็คิดไปในทางเหตุทางผลคิดไปตามความเป็นจริงอยู่เรื่อยๆฟังเทศฟังธรรมไปเ่อยๆ เ, เดี๋ยวก็เกิดปัญญาขึ้นมาเรื่ีงกับบารมีบารมีห ม, มายถึงว่าสิ่งที่มันอยู่กับเราติดเป็นที่สายไปกับเราหมดแล้วยังอาจารย์อีกกี่ข้อคะมาเยอะเลย <laughs> <laughs> เ อ, อีกสามข้ออนะไรงี้ย คำถามจากคุณสุนิสาค่ะทำยังไงให้ไม่ต้องเป็นห่วงคนรอบข้างคะพอเป็นห่วงใจเราก็เกิดความทุกข์ค่ะทําให้เรานั่งสมาธิไม่ได้เลยค่ะก็ถ้าเป็นหนังก็เปิดไปดูตอนจบเลยเลยไปดูตอนหนังตอนจบถ้าเรารู้ตอนจบเป็นไงเวลาเรานั่งดูหนังเราก็จะได้ไม่ตื่นเต้นตกใจเพรารู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องจบอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันก็ไปดูตอนจบของเขาเลย คิดถึงตอนจบของเขาบ้างเดี๋ยวเขาก็ตายตายแล้วเราก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลกับเขาเนี่ยมานานุสติมันดีตรงนี้มันดีที่ทําให้เราไม่ต้องมาวุ่นวายไม่ต้องวิตกกังวลกับใครเพราะยังไงก็ตายอยู่ดีคําถามจากคุณโก้ค่ะอินทรีย์ห้าเกิดจากสังขารหรือเปล่าคราับอินทรีย์ห้ามันก็เป็นเป็นคุณสมบัติภายในใจเราเช่นศรัทธา วิิยะความภาคเพียนสติสมาธิปัญญาไม่ได้เกิดจากสังขารมันเป็นคุณสมบัติเป็นคุณธรรมค ำ, คำถามสุดท้ายค่ะจากคุณชนะตนค่ะคนที่มีสีลห้าเป็นปกติจะเกิดเป็นมนุษย์ทุกชาติที่เกิดใช่ไหมคะแต่คนที่บุญบาปเท่ากันก็เกิดเป็นคนเหมือนกันความแตกต่างอยู่ที่นิสัยเดิมข้างในถูกไหมคะ คือศีลห้านี้จะป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในอาบายแต่จะมาเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทวดาก็อยู่ที่ว่านอกจากรักษาศีลห้าแล้วเราทําบุญด้วยหรือเปล่าถ้าเรารักษาศีลห้าแล้วทําบุญด้วยเราก็จะไปเป็นเทวดาก่อนแต่ถ้าเรารักษาศีลห้าอย่างเดียวไม่ได้ทําบุญเราก็จะกลับมาเป็นมนุษย์หมดแล้วนะก็พอสมควรแก่เวลา